เวลานี้มีอาการหนักเต็มทีแล้วขอท่านโปรดรักษาให้หายเป็นปกติอย่างเดิมด้วยเถิดโรคอย่างนี้เข้าไม่รักษากระลอกท่านธรรมนะทำไมละ่ะก็มันเป็นธรรมดาของสังขาร ธรรมดาของสังขารและเป็นยังไงโลคอย่างนี้เขาไม่รักษากันหรอกไม่รักษาโรคอย่างนี้แล้วจะไปรักษาโรคอะไรก็รักษาโรคต่าๆนถสิจึงปวดหัวปวดท้องปวดฟังเป็นต้นเหล่านั้นเป็นโรคเล็กๆน้อยๆใครก็รักษาได้แต่โรคชรานี้เป็นโรคร้ายแรงที่สุดคนเป็นกันทั่วโลกหมออื่นๆไม่รักษาเพราะเขาไม่เก่งเหมือนท่าน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 ข้าพเจ้าเดูกร อ, อุบาสกโรคร้ายแรงที่บันทอนความสุขของมนุษย์นั้นมีอะไรบ้างท่านรู้ไหมข้าพเจ้าไม่ทราบอาตมาจะบอกให้โรคร้ายแรงที่บันทอนความสุขของมนุษย์มีสามประการมีอะไรบ้างลนะ่ะท่านรมณนะโรคแก่โรคเจ็บโรคตายโรคแก่และโรคตายท่านรักษาให้หายไม่ได้ และไม่มีหมอสามันคนใดรักษาให้หายได้รักษาได้บ้างแต่โรคเจ็บอย่างเดียวเท่านั้นบางอย่างท่านรักษาไม่ได้อย่างนี้เป็นการสมควรแล้วเลยที่ท่านเข้าใจว่าตัวเองเป็นหมอวิเศษที่สุดในโลกดูก่อนเวชการในโลกนี้มีศิลปศาสตร์มากมายถ้าที่มนุษย์คนพบและศึกษากันอยู่ในชมพูทวีปกก็มีถึงสิบแปดประการ เวชศาสตร์ของท่านเพียงหนึ่งในสิบแปดเท่านั้นแม้แต่เวชศาสตร์อย่างเดียวก็มีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจะศึกษาให้เจนจบซะอีกจะกล่าวไปยญยถึงศาสตร์อื่นไม่มีใครสามารถศึกษาจนรอบรู้ในศิลปศาสตร์ทั้งปวงได้เพราะจะต้องใช้เวลาเป็นพันๆปีแต่อายุของมนุษย์มีกำหนดอย่างนานเพียงร้อยปีเท่านั้นจึงไม่เพียงพอที่จะศึกษาให้เจนจบ ในศาสตร์ทั้งปวงได้การกรรมนนะข้าพเจ้ากําลังตั้งใจฟังเวชกาเนยสรรพสิ่งทั้งปวงในสากลรจัตรวานมีประเภทนับจํานวนแสนแต่ท่านรู้เรื่องเวชศาสตร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นความรู้สึกของท่านจึงเป็นเพียงหนึ่งในแสนซึื่อเป็นความรู้นิดหน่อยอะไรเช่นนั้นสมควรแล้วเหรอ ท่านจะเที่ยคุยอวดว่าท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านสมณะพูดเจรินข้าพเจ้าเพิ่งจะรู้สึกตัวเดี๋ยวนน้ข้าพเจ้ามีความรู้ในเรื่องเวทศาสตร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นให้รู้สึกละอายเหลือกเกินที่คุยโออวดมาม า, มาต่อมาโดยอำนาจหลงผิด คิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษในโลกต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกคนโง่ไม่ได้รับการศึกษาเพียงเล็กน้อยจ่ยอมเกิดความเห่อเขิมในวิชาของตนเข้าใจว่าตนดีวิเศษแล้วเที่ยวคุยอวดคนอื่นเที่คมขู่คนอื่นเป็นคนเจ้าทิฏฐิมานะแข็งกระด้างไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครหารู้สึกไม่ว่า ตนกำลังอวดความโง่ของตนคนเช่นนั้นท่านเปรียบเหมือนกบเหมือนกบกบเท่าเฝ้าหนองน้ําเล็กๆไม่เคยไปเห็นแม่นม้ําไม่เห็นทะเลและมหาสมุทรสักทีก็เข้าใจว่าหนองน้ําของตนนั้นใหญ่โตที่สุดในโลกเธอคุยโอ้อวดคนอื่นแต่เมื่อใดกบตัวนั้นได้โอกาสออกไปเห็นแม่นม้ํามันจะรู้ความจริงว่าที่แท้หนองน้ําของมันเล็กนิดเดียวเท่านั้น ยิ่งได้ไปเห็นทะเลและมหาสมุทรหนองน้ำของมันยิ่งดูเล็กลงไปอีกจนไม่มีความหมายอะไรเลยมันจะรู้สึกละอายใจที่เที่ยวคุยอ้อวดหนองน้ำของตนมันจะกลายเป็นกบที่สงเงียมเจียมตัวไม่ยิ่งแย่โศกต่อไปดูก่อนเวชการกบเท่าที่ได้ไปเห็นน้านน้ำใหญ่ย่อมเห็นหนองน้ำของตนเล็กลงไปชันใดผู้ที่ท่านเรียนรู้มากๆ ยอมเห็นว่าตนรู้น้อยลงชั้นนั้นยิ่งเรียนรู้มากก็รู้เหมือนว่าตนรู้น้อยลงยิ่งโง่ลงเพราะสิ่งที่จะเรียนรู้มีมากเกินไปจนอายุและความสามารถทางปัญญาของตนไม่พอที่จะเรียนให้จบทั้งหมดได้เพราะเหตุนี้ท่านผู้มีความรู้มากๆจริงๆจึงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนน่าเคารพนับถือมีจิตกว้างขวางยอมรับว่าตนไม่รู้ในสิ่งที่ไม่ได้เรียน และยอมรับผิดเมื่อตนพูดผิดทำผิดส่วนผู้เรียนรู้นินดๆหน่อยๆมักลหลงไหลเห่อเหอมในความรู้นั้นเข้าใจว่าตนฉลาดที่สุดดีที่สุดในท่้มกลางฝูงชนเกิดทิฐิมานะถือตัวแข็งกระด้างเข้าใจไปว่าทุกสิ่งที่ตนคิดตนพูดตนทําจะต้องถูกเสมอแม้คนอื่นจะเห็นว่าผิดก็ยังยืนยันว่าตนถูก ถ้าไม่มีทางสู้เขาจริงๆก็โยนความผิดให้คนอื่นคนประเภทนี้ไม่ยอมรับว่าตนงโง่ทั้งๆ ท, ที่ตนนั่งโง่พยายามอวดฉลาดทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความฉลาดจิงเท่ากับเอาทองปลอมไปเที่ยวเร่ขายแ้วปรองว่าขายได้หนนเดียวเท่านั้นภายหลังเมื่อเขารู้ความจริงแล้วจะไม่มีใครซื้ออีกเลยโอ้ท่านคมน า, าพูเ้เชิญ เหตุผลของท่านค้ากับดวงประเทพอันสว่างสวไวที่ลุกโผล่ขึ้นในจิตใจแอมเมทมัวด้วยโมหะของข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าเกิดความเข้าใ จ, จแจ่มแจ้งในปัญหาชีวิตอันสําคัญที่ไม่เคยรู้มาก่อนทําได้อุปการะคุณอันยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าจะบูชาคุณของท่านแต่ถ้าท่านปราานา ข้าพเจ้ายินดีจะถ่ายทอดสิลประสาทของหมอเท่าที่ข้าพเจ้ารู้ทั้งหมดแก่ท่านเพื่อว่าท่านจะได้มีท า, าเพราะอะไรเหรอท่านสมณนนะพระอาตมาเองก็เป็นหมออยู่แล้ว อาตมาณะเป็นหมอเหมือนกันเลยนี่ถูกแล้วอาตมาเป็นหมอท่านชำนาญในการรักษาโรคอะไรอาตมาไม่ใช่หมอรักษาโรคกายเป็นหมอรักษาโรคใจหมอรักษาโรคใจผู้ใดไม่สบายโลคโกรธหลงอาตมารักษา ห, หายได้การรักษาด้วยยาอะไรยาของอาตมาคือความรู้ ความเข้าใจในความจริงคนป่วยใจเมื่อได้รับยาคือความรู้จากอาตมาแล้วจะไม่ใจสะอาดสงบสุขเยือเกเยน็นปลอดโปร่งตลอดไปโรค ก, กายที่ท่านรักษาบางคนเป็นบางคนก็ไม่เป็นแต่ทุกคนเป็นโรคใจทั่วกันคนป่วยของอาตมาจึงมีเต็มโลกอาตมาตระเวนรักษาเข้าเรื่อยไป ท่านเป็นหมอที่ฉลาดที่สุดมีคนป่วยมากที่สุดข้าพเจ้ามาคิดว่าท่านคงได้ข่ายจ้ารางวัลมากที่สุดด้วยอตมาได้รางวัลมากที่สุดอย่างที่ท่านว่าแต่รางวัลก็อตมาคือความสุขทางใจที่ได้ทําประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองเพราะสิ่งเหล่านี้ได้ความสุขนิดหน่อยเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้น แต่ความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ความสุขแก่อตมามาตลอดกาลข้าพระเจ้าเข้าใจลึกถึงเป็นอย่างดีก็ต้องขอขอบคุณท่านสมณะเป็นอย่างมากและก็ต้องขอลาขอให้อุบาสกโชคดีอัตมาก็าจะออกเดินทางเช่นเดียวกัน ตัน ค, ค่ำก็มาถึงประตูเมืองราชคฤห์ด้านทิศเหนือเป็นช่องระหว่างภูเขาเวภาระและเวปุลละใกล้เชิงเขาวเวปุละนอกเมืองมีบ่อน้ําร้อนขนาดใหญ่พุ่งมาจากใต้ดินแล้วไหลผ่านช่องว่างระหว่างภูเขาเข้าไปในเมืองชาวบ้านเรียกแม่น้ําเล็กปีว่าตโป ต, ตานทีชาวเมืองและพระเจ้าพิมพิสาร นิยมมาอาบที่บ่อน้ําร้อนแห่งนี้เพราะเหตุที่น้ําร้อนไหลออกมาจากใต้พื้นดินคนทั่วไปจึงเชื่อกันว่าภายใต้บ่อน้ําร้อนเป็นที่อยู่ของโลหะกุม่มเพนรกตอนนี้ไม่มีอะไรดีกว่าการวางบาตแล้วนั่งพักใต้ร่มไม้อ้าวพอนึ่งก็มีคนดูเหมือนเจ็ดคนหาของพระรุ่งพรรังมานั่งพัก วางของเรียบร้อยแล้วหกคนก็ผลัดผ้าลงไปอาบน้ำเหลืออยู่คนเดียวเฝ้าของดูท่าทางเป็นห่วงข้าของมากทีเดียวเฮ้ยร้อนจริงๆพวกนั้นทนไม่ไหวเลยต้องลงไปอาบน้ำอุบาศกท่านอยากจะอาบน้ำก็ไปเถอะอาตมาจะเฝ้าของไว้ให้ขอบคุณท่านมากแต่ขา้าพรเจ้ายังไม่อาบน้าเดี๋ยวนี้หรอกพวกท่านไปไหนกันมา ดูมีสิ่งของมากมายเหลือเกินขครปเจ้าเป็นพวกเล่นละครมาจากเมืองปาตาลีบุตรเที่ยวเร่ร่อนแสดงละครหาเงินไปตามนิคมต่างๆแล้วท่านล่ะมาจากไหนอัตมามาจากกรุงสาวัตถีนครหลวงของโกศนร์อยู่ที่ไหนไกลออกไปทางทิตตวตกนี่แหละอัตมาเป็นพวกละครเหมือนกันท่านเป็นพวกละครด้วยถูกแล้ว อาตมาเที่ยแสดงละครเร่รอนไปตามนิคมต่างๆจนถึงกรุงราชครื้ในวันนี้น่าสงสัยจริงๆท่านสงสัยอะไรถ้าที่ท่านเดินทางมาเนี่ยสิท่านมาคนเดียวหรือมีเพื่อนร่วมทางมาด้วยข้าพระเจ้าเห็นท่านนั่งอยู่คนเดียวอาตมามาคนเดียวและถ้าอย่างนั้นคณะละครของท่านก็มีคนเดียวเท่านั้นละสิถูกแล้วท่านแสดงละครคนเดียวได้ยังไง ข้าพเจ้ายังสงสัยข้อ น, นี้แหละมากเหลือเกินละครของอาตมาอาจจะแตกต่างกับละครของท่านอยู่บ้างอาตมาขอถามหน่อยเถอะว่าวิธีการแสดงละครของท่านเป็นยังไงเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับวิธีของอาตมาท่านสมณะเห็นจะไม่เคยดูละครข้าพเจ้าจะพูดให้ฟังเมื่อจะแสดงละครที่ไหนพวกข้าพเจ้าก็จะช่วยกําปลูกโรงขึ้นสะกก่อนเอาผ้ากั้นไว้กลางโรง แบ่งโรงออกเป็นสองตอนตอนหน้าสำหรับแสดงละครตอนหลังสำหรับเป็นที่พักเมื่อปรึกษาตกลงกันว่าจะแสดงเรื่องอะไรแล้วก็มีการแต่งตั้งกันเป็นกษัตริย์บ้างเป็นราชินีบ้างเป็นเสนาบดีบ้างเป็นปุโรหิตดาจาร์บ้างแม่ทัพ บ, บ้างเป็นโจรบ้างตามรูปเรื่องต่อจากนั้นก็แสดงบนเวทีตอหน้าฝูงชนตามบทบาทของตนถ้าอย่างนั้น ละครต่อท่านก็เป็นเรื่องหลอกกันอย่างชัดๆล่ะสิหลอกยังไงพูดให้ดีนะเอย่เพิ่งไม่พอใจไปก่อนเลยที่ว่าหลอกนั้นหลอกอย่างนี้คือเรื่องที่ท่านแสดงไปนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องกวีเขียนขึ้นจากจินตนาการของเขาในเวลาแสดงบาทีท่านอาจจะได้รับสมมุติเป็นกษัตริย์แต่นั่นก็เป็นเพียงการหลอกเพราะท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์จริงใครๆก็รู้ว่าที่อาจจะเป็นคนโกรธบ้างร้องไห้บ้าง วเลาะบ้างนั่นก็เป็นเพียงแกล้งทําบางครั้งก็แสดงเกิดศึกสงครามนั่นไม่ใช่ศึกสงครามจริงบางครั้งท่านก็ทําเป็นถูกอาวุธตายแต่ก็หาได้ตายจริงไม่เพราะถ้าตายจริงท่านคงมานั่งคุยกับอัตมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ละคหรหลอกหรอกเลยก็จริงของท่านเมื่อท่านหลอกประชาชนที่ดูก็หลง คือเข้าใจผิดคิดว่าเป็นจริงเป็นจังตามนั้นแล้วเกิดอารมณ์ต่างๆโศกเศร้าเสียใจโกรธแค้นชิงชังสงสารและเห็นใจบางทีก็เกิดความขบขันหัวเราะและแต่รูปเรื่องที่ท่านแสดงแต่แล้วก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนอกจากอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเท่านั้นข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านแต่ก็แปลกเหลือเกินนะท่านสมณะแปลกยังไง ทา้งทั้งที่รู้ว่าละครของข้าพเจ้าเป็นของหลอกนี่แหละประชาชนชอบดูกันเหลือเกินที่ท่านพูดว่นนั้นเป็นความจริงทำไมท่านถึงว่าเป็นความจริงคนโง่ย่อมชอบของหลอกอาตจจมาจะพิสูจน์ให้เห็นเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าคนเราเนี่ย ชอบหลอกอยังไงข้านสมณแสดงมาเลยข้าพเจ้าอยากรู้เหมือนกันอ่ะมีคนเดินผ่านมานั่นเอาเขามานั่งพักใต้ร่มไม้ก่อนเธ อ, อุบาศกแดดกำลังร้อนขอบคุณมากท่านสมณนะอุบาศกอายุเท่าไหร่แล้วล่ะหกสิบแล้วท่านสมณนะแม่อตมาแทบไม่เชื่อเลยว่าท่านอายุหกสิบ พรดูท่าทางท่านยังหนุ่มกระชุ่มกระชวยอยู่มากถ้าให้อัตมาถ่ายอัตมาจะถ่ายสี่สิบเป็นอย่างมากจริ ง, งเหเลยนั่นสิข้าพเจ้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแม้ข้าพเจ้าดีใจจริงๆข้าพเจ้าไปก่อนแล้วนะแดกร้อนแค่นี้ไม่ทําให้ข้าพเจ้าสะดุ้งสะเทือนกระฉับกระเฉงไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยข้าพระเจ้าไปลก <c oughs> <c oughs> เห็นไมละ่ะอุบาสกชายแก่คนนั้นอายุหกสิบปีแล้ว สังขารร่างกายของเขาซุดโทรมลงมาเขาเองก็รู้ตัวดีแต่พออาตมาหลอกเขาว่ายังหนุ่มเท่านั้นแหละก็แสดงอาการพออกพอใจออกมานอกหน้านี่แสดงว่าคนโง่ย่อมชอบของหลอกและละครของท่านละท่านสมณนะท่านมีวิธีการแสดงยังไง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 ไม่จำเป็นต้องมีเวทีเพราะอาตมาใช้เวทีจริงเวทีจริงของท่านสมณะคืออะไรโลกนี้ไงล่ะอุบาสกโลกนี้ถูกแล้วโลกนี้ทั้งโลกคือเวทีละครของอาตมาบางครั้งมีคนฟังคนเดียวแต่บางครั้งก็มีมากอาตมาสแสดงละครโดยการอธิบายปัญหาชีวิตต่างๆให้เขาฟังบรรเทาความโศกของผู้กาลังโศกบรรเทาความโกรธของผู้กำลังโกรธ บรรทาความหลงของผู้กําลังหลงบรรเทาความชั่วของผู้กําลังชั่วส่งเสริมความดีของผู้กําลังทําดีผู้ฟังละครของอาตมาแล้วได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีทุกคนเือละครของท่านแปลกมากไม่ต้องใช้คนมากไม่ต้องเสาะเวทีแล้วท่านคิดเอาค่าจ้างจากคนณดูได้ยังไงอาตมาไม่ได้เรียกร้องเอาค่าจ้างเป็นเงินทองหรือวัตถุใดๆทั้งสิ้นทําไมล่ะท่านสมณะ เงินทองได้มาแล้วก็ใช้ไปหมดแล้วท่านสมณะได้อะไรตอบแทนผลตอบแทนที่อาตมาได้รับคือความสุขใจความสุขใจความสุขใจที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นความชุ่มชื่นเบิกบานใจอย่างที่จะหาจากเงินทองไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผู้แสดงละครอย่างท่านได้จะต้องเป็นผู้มีจิตใจเสียสละอย่างแท้จริงแน่นอนทีเดียวผู้ที่ยังเห็นแก่ตัวหรือพวกพองของตัว ยอมแสดงละครแบบนี้ไม่ได้ผู้แสดงได้ต้องมีใจกว้างกล้าหาญมีเมตตาประจําใจอยู่เสมอต้องคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเมื่อมีผลประโยชน์เกิดขึ้นต้องคิดที่จะให้คนอื่นได้รับผลประโยชน์นั้นก่อนตัวเองแต่เมื่อความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นจะต้องให้ตนได้รับก่อนคนอื่นท่านสมณะพูดน่าฟังมากทีเดียวอ๋อถ้าพวกอาบน้ำขึ้นมานั่นละ่ะ จะเฝ้าของเองไม่ละไม่อาบแล้วทําไมล่ะหรือว่ากโกรธที่ไม่ได้ไปอาบแต่แรกไม่ใช่อย่างนั้นข้าพเจ้ากําลังสนทนากับท่านสมณะสนุกดีพวกเรามาร่วมสนทนาด้วยสิจะได้ความรู้ดีๆนะจริงเหรอไม่เชื่อก็คอยฟังดูก็แล้วกันท่านสมณะข้าพเจ้าขอถามสักอย่างเถอะถามมาได้เลยอุ่าสกอัตมาบอกได้ก็จะบอกที่ข้าพเจ้าจะถามเพราะความอยากรู้นั้น สมมุติว่าคนในมคธรัตน์นียเป็นผู้เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าตัวเองยอมสละสุขประโยชน์ของตนเองกับคนอื่นยอมรับความทุกข์ยากลาบากแทนผู้อื่นอย่างท่านบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรความสงบสุขจะแผร่กระจายทั่วบ้านเมืองนั้นประชาชนจะครองชีวิตอยู่ด้วยสันติสุขอย่างแท้จริงและประเทศบ้านเมืองอย่างที่ว่าเนี่ยมีอยู่หรือว่าเป็นแต่ความฝันเท่านั้นถ้ามีมีอยู่ที่ไหน มีสิอุบาสกเมืองที่ว่านี้มีอยู่ชื่อสันตินครอยู่ในหินมะวันตประเทศเป็นนครเล็กๆมีประชาชนไม่มากนักแต่มีกษัตริย์ปกครองอย่างนครทั้งหลายสันตินครตั้งอยู่ในหุบเขาอนดุดมสมบูรณ์ล้อมรอบด้วยถิวทัศน์อันสวยงามตาการตาพระราชาผู้ปกครองตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมอย่างเคร่งขรึด ทรงถือไพร่ฟ้าฆ่าแผดินทุกคนเป็นเสมือนบุตรธิดาของพระองค์เองราชบุตรทำราชการต่างพระเนตรพระกันทำงานตามหน้าที่อย่างสุจริตไม่ช่อราบบางหลวงประชาชนทุกชั้นตั้งหน้าประกอบอาชีพด้วยความขยันขันแข็งและด้วยความสุจริตทุกคนเป็นคนดีละสิท่านสมณะแน่นอนทีเดียวในนคร น, นี้ไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีคดีขึ้นศาล ไม่มีเรือนจำเพราะไม่มีนักโทษไม่มีการทำร้ายเบียดเบียนกันโดยประการต่างๆทุกคนได้รับการอบรมให้มีเมตตาการุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันรักกันเหมือนพี่น้องช่วยกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวมช่วยกันรักษาสาธารณาสมบัติขึ้นชื่อว่าเป็นของสาธารณะเพื่อส่วนรวมแล้วเขารักษาด้วยความประมัดระวังยิ่งกว่าของตนเสียอีก อุบาสกเอ๋ยถ้าจะให้พันธนาความดีของนคร น, นี้วันนี้คงไม่พอแน่น่าอาศัศจรรย์จริงๆนั่นสิน่าอัแกนมากทีเดียวข้าพเจ้าอยากจะไปอยู่สันตินครด้แล้วสิท่านสมณะข้าพเจ้าก็อยากไปอยู่ท่านครุณ า, าบอกคนทางแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดมีคนแถบนี้เป็นอันมากเคยไปอยู่นครนั้นแต่ในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ต้อง น, นี้กลับมาเองบ้าง ชาวบ้านขับไล่ให้หนีมาบ้างเพราะอะไรเด้อท่าทกัมมันตฮะเพราะคนทางนี้ไม่ปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสภาพของนครนั้นอยู่ทางนี้เคยประพฤติยังไงไปอยู่ที่นั่นก็ประพฤติอย่างเดิมเขานำเอาความเห็นแก่ตัวความละโมบเล่เหลี่ยมโกงและนิสัยอื่นๆไปด้วยในที่สุดจึงอยู่ไม่ได้ถ้าพวกข่านอยากไปอยู่ในสันตินครก่อนอื่นต้องปรับปรุงตัวเองก่อน ท่านต้องขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปจากสันดานอย่าสร้างความสุขให้แก่ตนโดยก่อความทุกข์เดือดร้อนใ้แก่ผู้อื่นถ้าท่านทำได้อย่างนี้หรือถ้าทุกคนทำได้พวกท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปอยู่สันตินครอา้าวแล้วจะไปอยู่ที่ไหนแล้วท่านก็อยู่บ้านเมืองของเรานี่แหละทุกบ้านทุกเมืองจะกลายเป็นสันตินครไปหมด ขบถ้าพาใจแล้วท่านสมณะ ดูเมืองเปิดแล้วก็เข้ามาเป็นทบาทในนครราชครุจน์จนได้อาหารพอเลี้ยงชีพในวันนัน้นแล้วก็ออกมาฉันที่พระเวลวนารามอันเป็นอุทยานไม้ไผ่ที่พระเจ้าพิมพิาสารเสด็จประทานเยือกแ ก, ะกะแ่กระเษพระเวลวนันเป็นสถานที่เรื่องรมยิ่งกว่าอารามอื่นที่ผ่านพบมาพื้นข้างล่างได้รับการปัดกวาดเตียนโลก ข้างบนปกคลุมด้วยไม้ไผ่หนาแน่นเป็นหลังคาทําให้บรรยากาศข้างล่างเย็นสบายาพระภิกษุสา ม, มนเณรไม่อยู่เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่ออกเที่ยวจาริกไปในทิศต่างๆจึงมีกุฏิว่างอยู่มากมายหลังจากมอบตัวแก่พระมหาเถระผู้เป็นประธานแล้วจึงยึดเอากุฏิเล็กๆหลังหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่าไผ่เป็นที่พักเห็นที่จะต้องยึดเอาที่นี่ เป็นที่พักผ่อนบำเพ็ญจิตใจซะแล้ว ว่าท่านมหาเถระต้องการพบข้าพเจ้าถูกแล้วไม่ทราว่าท่านมีเรื่องอะไรขันมาอยู่ที่นี่ก็นานแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่ใครๆนักถือสมควรจะปกครองพิสุสามนเรนแทนได้หมายความว่าอะไรท่านมหาเถระเราจะออกจาริาหมอบพระอาราให้ท่านปกครองจนกว่าเราจะกลับเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านให้ความไว้วางใจ ข้าพเจ้าจะพยายามตั้งใจบริหารงานด้วยดีดีแล้วตั้งใจบริหารงานด้วยดีให้ความเมตตากรุณาและความยุติธรรมถือความถูกต้องเป็นหลัก ยกย่องผู้ควรแก่ยกยอก่องตำหนิผู้ควรแก่ตำหนิไม่ลำเอียงเข้าฝ่ายนั้นออกฝ่ายนี้ก็ ร, รักเพระชังเพราะกลัวหรือเพราะโง่เขลาสังเกตเห็นผู้น้อยภายใต้ปกครองมีสองประเภทประเภทแรกเป็นผู้สามารถประเภทที่สองหย่อนสามารถพยายามเอาดีด้วยการกระจกประแจงทั้งสองพวกนี้มักเป็นศัตรูกัน ผู้ใหญ่มักเอนเอียงเข้าข้างพวกประจกประแจเมินเฉยต่อพวกการงานทําให้พวกการงานหมดกําลังใจในการทํางานเช่นนี้สามัคคีทำก็สลายคณะเสื่อมโซม่ผู้ใหญ่เปรียบเสมือนหลักผู้น้อยเปรียบเสมือนวัวไหลตัวที่ผูกไว้กับหลักถ้าหลักไม่มั่นคงแข็งแรงวัวดึงจึงลม้มหลักล้มวัวก็แตกกระจาย หลักคือผู้ใหญ่จะต้องมั่นคงถือความยุติธรรมเป็นสำคัญถือผลงานเป็นหลักพิจารณาความชอบไม่ใช่ด้วยการประจบประแจ ที่ขาดเมตตาปเป็นพื้นฐานของใจอะเป็นคนยังไงมาโขดร้ายทารุณต่อผู้น้อยใช้การดุดา่าเค่นตีเป็นเครื่องมือเข้มงวดกวดขันจนเกินไปทำให้ผู้น้อยกลัวยิ่งกว่าเคารพแล้วในความกลัวนั้นมีความเกลียดชังซ่อนอยู่ด้วยผู้น้อยจะทำแต่เฉพาะหน้าแับหลังจะดินทาท่านหนีไปหรือตายไปเขาจะอนุโมทนาสาธุการแล้วผู้ใหญ่ขาดการุณาล่ะ ผู้ใหญ่ขาดการุณามักเป็นคนตรนี่ได้ปัจจัยลาบอะไรมาก็เก็บสะสมไว้เฉพาะตัวไม่เฉลีย่ยแบ่งปันผู้ใหญ่เช่นนี้ไม่อาจจะปลูกความรักขึ้นในจิตใจของผู้น้อยได้เอขอท่านแสดงให้ชัดแจ้งอีกชนิดเถอะผู้ใหญ่ที่ขาดมุทิต า, าเป็นคนยังไงผู้ใหญ่ที่ขาดมุทิตามักเป็นคนฤษยาไม่ส่งเสริมความดีของผู้น้อยกลัวจะดีเกินหน้าตน หาทางทำลายเมื่อผู้น้อยได้ดีผู้ใหญ่เช่นนี้เชื่อว่าขัดขวางความเจริญของผู้น้อยแล้วผู้ใหญ่ที่ขาดอุเบกขาล่ะผู้ใหญ่ที่ขาดอุเบกข า, บาก็มักเป็นคนอ่อนแอโปรดปราณเฉพาะผู้น้อยที่รูปสวยมีอามิตรให้ตนมากๆหรือมีอิทธิพลด้านอื่นๆประจกเก่งไม้พวกนี้จะทำผิดก็เมินซะถ้าทำดีเพียงนิดหน่อยก็เชิดชูสเสลิดลอยผู้ใหญ่เช่นนี้ เปรียบเสมือนหลักที่ปักอยู่บนกอง